ว่าจะมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังกันบ้างครับด้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคำพูดครับก็คิดว่าน่าจะมีสาระดีๆให้ท่านผู้ฟังได้อภิปรายคกันบ้างครับเรื่องมีอยู่ว่านานมาแล้วยังมีสามีภรรยาอยู่ผู้หนึ่งทั้งสองแต่งงานกันมานานมากและก็ต่างก็ให้สัจจะซึ่งกันและกันว่าจะรักกันตลอดไปไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องตายไปก่อนก็ตาม ก็จะไม่ขอแต่งงานใหม่อีกต่อไปทั้งสองรักกันมากก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งฝ่ายสามีก็ได้ตายจากภรรยาสุดที่รักไปภรรยาก็ได้แต่ขำขวัญร้องไห้คิดถึงแต่สามีที่จากไปเวลาผ่านไปไม่นานนานจึงได้แอบไปที่ป่าช้าและขุดอาหัวกะโหลกของสามีเอามาเก็บไว้กับตนเองจากนั้น นางก็ได้เดินทางไปตามเมืองต่างๆขอทานต่อไปเรื่อยๆอย่างคนที่ไม่มีจุดหมายคนมันท้อครับจนไปถึงเมืองเมืองหนึ่งนางก็ได้ไปนั่งขอทานอยู่ที่เมืองนั้นระหว่างนั้นบังเอิญมีลูกชายของเศรษฐีมาเห็นนางเข้าไม่เห็นเข้ารู้เลยว่าใช่เลยนางคุณนี้เนี่ยแหละเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมาเป็นสีภรรยาของตนเองเพราะว่านางนั้นมีหน้าตาที่สวยงาม จึงเข้าไปก็ร้อ ก, ก็ติกเข้าไปจีบนะครับแต่ว่านางนั้นก็ไม่สนใจไม่ใยดีเพราะว่านางถือว่านางได้ให้สัจจะกับสามีตนเองที่ตายไปแล้วว่าจะไม่แต่งงานกับใครอีกนางช่างมีใจรักที่มั่นคงจริงๆฝ่ายลูกเศรษฐีไม่ว่าจะรวนปฏิเสธยังไงก็ยังอยากที่จะได้นางมาเป็นเมียของตนให้ได้จึงไปอ้อนวอนกับพ่อของตนเองซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่บอกว่านางนี่งามเหลือเกิน จดิดจะกราดไม่สมควรจะมานั่งขอทานเลยพ่อน่าจะเอามาเป็นเมียให้ลูกดีและเมื่อฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นพ่อได้ฟังก็รู้สึกว่าอืมไอ้ลูกคนนี้เนี่ยถ้าทางมันจะรักนางคนนี้จริงๆเอาแล้ววะเราจะลองไปสู่ขอมาให้เป็นเมียของลูกเราดีกว่าว่าแล้วเศรษฐีจึงเดินทางไปหานางขอทานคนนั้นเข้าไปคุยไปเจรจาไปให้ข้อเสนอดีดดดๆต่างๆ คุยไปคุยมาอยู่นานยังไงนางก็ไม่สนใจจนฝ่ายเศรษฐีเริ่มท้อใจเพราะว่าไม่ว่าจะยื่นข้อเสนอที่ดียังไงให้นางก็ไม่เป็นผลสำเร็จฝ่ายเศรษฐีจึงประกาศกับชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายว่าหอใครก็ตามที่สามารถจีบนางขอทานคนนี้ไปเป็นเมียได้เรายินดีจะมอบทองคำให้ 1,000 พันแท่งเพื่อเป็นรางวัล <c oughs> เราอยากจะรู้นกะขนาดเราซึงเป็นเศรษฐีมาสู่ขอให้ลูกชายเรา นางยังไม่สนเลยก็อล้องกันดูนะชาวเมืองทั้งหลายเมื่อได้ยิได้ฟังต่างก็ดีใจก็รีบไปติดต่อเชื้อเชิญแล้วรมนางคนนี้เพื่อที่จะเอาไปเป็นเมียของตนแต่จนแล้วจนรอดนางก็ไม่ยอมที่จะเป็นเมียของใครทั้งสิน้นเพราะว่านางนั้นได้ให้สัจจะ ก, กับสามีที่ตายไปของนางว่าจะไม่ยอมแต่งงานกับใครอีเช่นเดิมชายทั้งเมืองนี้ไม่มีใครเลยที่สามารถจะแต่งงานกับนางได้ จูบจนกระทั่งวันหนึ่งมีชายาจกต่างเมืองเดินทางมาเห็นชาวเมืองทั้งหลายต่างเข้าคิวเรียงแถวกันไปจีบนางขอทานคนนี้ก็เลยเขาเ้าไปถามเศรษฐีที่นั่งดูอยู่ตรงนั้นว่าท่านเศรษฐีครับเขาเข้าแถวไปทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้พวกนี้น่ะรือเข้าแถวก็เพื่อจะขอนางขอทานคนนั้นน่ะแต่งงานเพราะว่าถ้าใครที่ขอนางขอทานคนนั้นแต่งงานได้แล้วก็เรายินดีจะมอบทองคําให้หนึ่งพันแท่ง เพื่อเป็นของกำนันสำหรับคู่ที่มีความสามารถแต่ตัวเจ้าจะลองดูก็ได้นะแต่เห็นท่าจะยากเพราะานางไม่ยอมแต่งงานกับใครเลยแม้กระทั่งลูกชายข้านางก็ไม่สนใจนางบอกว่านางได้ให้สัญญากับสามีของนางที่ตายไปว่าจะไม่แต่งงานกับใครเลยเด็ดขาดและนางยังเอากระโหลกของสามีนางมานอนกอดอยู่ทุกวันอยู่เนี่ยจริงนะครับท่านงั้นข้าขอลองหน่อยได้ไหม ยาจกคนนั้นพูดแล้วายสิตามใจเจ้าขณะเราเป็นถึงเศรษฐีนางยังไม่สนใจเลยเจ้าเป็นคนยากจนจะไีมีปัญญาอะไรงั้นข้าขอลองนท่านก็เอาสิเศรษฐีก็พูดไปก็ขำไปเพราะว่าด้วยมองแล้วไม่เห็นแววว่าจะมีใครเลยที่จะสามารถพิชิตใจนางคนนี้ได้ตกกลางคืนชายยากจนนั้นก็เข้าไปในป่าช้าแล้วก็ไปขุดขุ ด, ขด ขุดเอากะโหลกผีขึ้นมาหัวหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นชายยากจนก็เอากะโหลกผีที่ขุดมานั้นใส่ลงในถุงย่านของตนเองแล้วก็เดินไปเที่ยวตามหาหนางขอทานว่าขอทานอยู่ตรงไหนเมื่อรู้ที่อยู่ของนางและก็รู้อีกว่านางนอนที่ศาลา ร, าริมทางทุกคืนเย็นวันนั้นชายขอทานจึงเดินไปที่ศาลา ร, าริมทางที่นางขอทานทําเป็นที่หลับที่นอนอยู่เป็นประจํานั้นและก็แซงทําเป็นร้องไห้ภูมฟายตลอดทาง เมื่อมาถึงศาลาก็เข้าไปนั่งร้องไห้นางขอทานจึงถามชายคนนั้นว่าท่านเป็นอะไรล่ะคะถึงได้ร้องไห้ขนาดนั้นนะมีเรื่องอะไรให้ท่านเศร้าใจขนาดนั้นหรือเราคิดถึงเมียของเราที่ตายนะสินางตายแล้วข้าก็คิดถึงนางมากนางตายมานานแล้วแต่ข้าไม่อาจจะตัดใจจากนางได้เลยข้าก็เลยเอากระโหลกเมียข้าเนี่ยมานอนกอดอยู่ทุกคืนเนี่ยชายยาจบว่ายอย่างนั้น และท่านทำไมไม่แต่งงานใหม่ล่ะคะหญิงขอทานก็ถามอีกทีหนึ่งข้าได้ให้สัจจะกับเมียข้าว่าจะไม่แต่งงานใหม่จะรักนางแค่คุณเดียวเท่านั้นหญิงอื่นข้าจะไม่สนอีกเด็ดขาดข้าก็เหมือนกันนางขอทานพูดบ้างตั้งแต่ผัวข้าตายไปข้าก็ทําเหมือนท่านนี่แหละข้าก็ให้สัจจะไว้กับสามีของข้าเหมือนกันชายาจกจงเอ่ยขึ้นว่านางข้าขอนอนที่ศาลานี้ด้วยได้ไหม ได้สิท่านเพราะเราต่างคนต่างก็ให้สัจจะให้กับคนรักของเราทั้งคู่คงไม่เป็นไดหรอกตกดึกคืนนั้นนางขอทานได้หลับไปแล้วฝ่ายชายยาจกนั้นยังไม่หลับเขากำลังแอบไปเอาหัวกะโหลกของสามีของนางขอทานที่เอาไว้ในถุงย่ามของนางเอามาใส่ไว้ในถุงย่ามของตนเองพอรุ่งเช้าเท่านั้นแหละชายยาจกก็ร้องตะโกนขึ้นว่า Yeah, แ, แย่แล้วแย่แล้วดวงใจข้าแตกสลายแล้วสามีนางมาเป็นชู้กับเมียข้าดูสิเข้ามาอยู่ในถุงย่ามของเราข้าไม่ยอมนะยังไงก็ไม่ยอมมีหน่าละ่ะเมื่อคืนข้าได้ยินเสียงตะกุกตะกักข้าก็นึกว่าหนูมาแถวนี้ยังไงข้าก็ไม่ยอมฝ่ายนางของทันได้ไดรู้ก็ตกใจไม่รู้ว่มันเป็นไปได้ยังไงแต่ก็ได้แต่ร้องไห้โธ่พี่นิชังไม่รักษาสัจจะที่ให้ไหว้เลยนะ ขนาดเป็นพีแล้วไหนว่าจะไม่นองใจกันจะมีรักเดียวใจเดียวดีต่อกันทําไมเป็นอย่างนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ฝ่ายชายยาจกไม่ยอมก็เลยเข้าไปฟ้องกับท่านเจ้าเมืองให้ช่วยตัดสินคดีฝ่ายเจ้าเมืองก็เรียกร้องทั้งสองฝ่ายมาถา ม, ถามถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและให้ตัดสินโทษว่าให้นางขอทานนั้นเป็นเมียของชายยาจกเสียเพื่อจะได้เป็นการชดใช้นี่ที่ผีสามีของนางขอทานไปแอบเป็นชู้กับผีเมียของชายยาจกนั้น คดีความจึงจบลงไปได้ด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งและหลังจากที่แต่งงานกันเรียบร้อยชายาจบก็ไปที่บ้านของเศรษฐีทันทีเพื่อทวงทองที่เศรษฐีได้ให้สัญญาไว้ท่านเศรษฐีครับท่านเศรษฐีครับข้าพระเจ้าโดยทาตามสัญญาที่ท่านได้พนันกับข้าพระเจ้าไว้แล้วข้ามาขอรับรางวัลครับท่านเศรษฐีมองหน้าแล้วก็บอกว่าโอ้เอ็งนี่มันแน่จริง ข้ายอมเลยวะ่ะฉลาดจริงๆจากนั้นท่านเศรษฐีจึงได้เอาทองมาจ่ายตามสัญญาและหลังจากนั้นชายาจกและนางขอทานคนนั้นก็ไม่ต้องขอทานกันอีกต่อไปเลยเพราะว่าด้วยทองของท่านเศรษฐีจึงทําให้มีฐานะดีขึ้นและประกอบอาชีพที่สุ จ, จดิตจนรํารวยสบายเป็นเศรษฐีเล็กๆของเมืองนั้นอีกครอบครัวหนึ่งนิทานเรื่องนี้ตามที่ผมได้เล่ามาการรักษาสัจจะนั้นก็เป็นเรื่องดีครับ อันนี้ก็นับถือครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่นิทานเรื่องนี้เชี่เห็นคือว่าผู้มีปัญญาไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของยาจบยังไงก็สามารถพลิกฟื้นตนเองขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้ด้วยความที่มีปัญญาและไม่ยอมแพ้ก็เปรียบเหมือนกับการใช้ชีวิตของคนเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะที่ยากจนข้นแค่ยังไงขอเพีงโอกาสมองให้เห็น และค่อยๆคิดหาความรู้เพื่อมาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของจังหวะชีวิตของเราเราก็อาจจะประสบความสำเร็จได้ครับแบบชายยาจบผู้นี้ก็อย่าลืมนะครับผมก็จะมีนิทานเรื่องเล่าตำนานต่างๆถ้าหากว่าท่านที่ฟังถูกใจกันยังไงก็ขอให้ช่วยติดตามกันหน่อยนะครับและผมจะผลิตนิทานหรือ ว, ว่าไปหาเรื่อง มาโม่เอ้ยมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันต่อไปครับสวัสดีครับ